จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาประพืนปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐย่างยิ่งแก่สัโลกที่ทรงสอน ให้พวกเราคอยถามตัวเราเองคอยเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังไปทำในสิ่งตรงกันข้าม กับที่พระเมรงมาสาดาทรงสั่งสอนให้ทำกันก็คือสรงสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาป ท, ทั้งปวงและกำจัดชําลระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเพราะการกระทาทั้งสามส่วนนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราการกระทอาอย่างอื่นนั้นไม่ลึกมีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจนอกจากจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจ ให้แก่ชีวิตให้มีมากยิ่งขึ้นไปดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้เราระลึกถึงหน้าที่การงานที่แท้จริงของเราคือการทำบุญละบาปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การกระทำอย่างอื่นนั้น มีผลเฉพาะในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นและมีทั้งบวกและมีทั้งลบคือมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เวลาที่เราได้สิ่งต่างๆมาเช่นลาบยศสารเสริญสุขเราจะมีความดีอกดีใจมีความสุขกันพอเราต้องจากลาบยศสารเสริญสุขไป เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุว่นวายใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทุกข์กับการดิ้นรนแสวงหาต่อสู้เพื่อให้ได้มาในลาบยกสาร เ, เสริญสุขนี้อย่างนั้นถ้าเรายังต้องหาสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ขอให้เราหาเท่าที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพเพือ่อเพื่อเราจะได้เอาชีวิตนีมาทำงานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราจริงๆอย่าไปหมดเวลาเสียเวลากับการทำงานที่ไม่ได้มีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเรา เพราในที่สุดเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาราบยศสารเสริญสุขต่างๆไปกับเราได้เราเอาบุญไปได้เราเอาความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจไปได้เราตัดบาปทั้งหลายไม่ให้ติด ตัวไปกับเราไปได้เมื่อเราไปแบบนี้เราก็จะไปแบบสุขโตไปสุขติคือไปสู่ที่ชอบที่ชอบดังที่พวกเรามักจะพูดกันเวลาที่คนตายไปเรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอแต่การขอของเรานั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ ได้ไปสู่สุขติเหตุนั้นต้องเกิดจากการกระทาทั้งสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทำกันอย่างสม่ำเสมอคือทำความดีทำบุญทั้งหลายให้ถึงพรและบาปทั้งปวงและชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ การที่เราจะทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนได้เราต้องอาศัยคุณธรรม4ประการด้วยกันคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. จาใคะการเสียสละ 3. สศีละคือการรักษาศีลและ 4. ปัญญาคือความ รู้จริงเห็นจริงความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราจะสามารถทำบุญรักษาละ บ, บาปชำระจิตใจของเราให้สะอ า, าดบริสุทธิ์ได้สามารถตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เวลาเราไปจากโลกนี้เราจะไปอย่างสุขอย่างสบายเราไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอบายเราไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดถ้าเราสามารถชำระจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างหมดจดถ้ายังไม่หมดยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เราก็ยังเวียนไหวอยู่ในสุขติ อยู่ในภพที่ดีคือภพของมนุษย์ภพของเทเสภ พ, พของพรหมภพของอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเราจะไม่ไปเรียนไหวตายเกิดในอบายซึ่งเป็นที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกทั้งหลายเพราะการเตือนตัวเราอยู่อย่างสม่อเสมอ ถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังสะสมความโลภความโกรธความหลงเรากําลังสะสมราภโทษสารเสริญสุดหรือเรากาลังสะสมบุญกุศลกาลังละบาปตัดตัดกิเลสชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไป จนหมดไปถ้าเราคอยเตือนเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้ ว, ลวเราจะได้ทํากิจที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทําการที่เราจะมีศรัทธาเราก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเรพราะจะทําให้เราเห็นความจริง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 ประโยชน์สุขที่เรามีอยู่เหลือเฟือให้แก่ผู้อื่นไม่คิดแต่จะหาประโยชน์สุขเพื่อตัวเราตลอดเวลาเมื่อเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราก็จะไม่เสียดายไม่หวงแหนเราเ จ, จะนำเอาไปทำบุญให้ถ่านตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เสียสละ ซักให้เสียสละอวัยวะให้เสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อทำเพื่อบุญเพื่อกุศลถ้าเรามีจาคะและเราได้บ่อยจากไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นความสุขของจิตใจปรากฏขึ้นมาเห็นความนุ่มเย็นเห็นความอิ่มเออ เห็นความสบาย อ, อกสบายใจปรากฏขึ้นมาในใจของเราก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะเสียสละมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเสียสละเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สงเสียสละได้คือสละพระราชสมบัติสละพระมเหสีพระราชโอโรส สละความสุขต่างๆของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะเวลาที่เราติดอยู่ในลอภยนทธ์สารเสินญสุขจิตใจของเราจะมีความหวาดกลัว ความวิตกกังวลเพราะเรารู้ว่าราบยศสรรเสริญสุดนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองสามารถที่จะหมดไปจากเราไปได้เวลาใดเราก็ไม่รู้และเราไม่สามารถห้างได้ถ้ายังติดอยู่ก็เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด ถึงแม้จะมีความสุขในขณะที่เสพยาแต่ความทุกข์นี้จะมีมากกว่าเพราะทำให้ต้องคอยแสวงหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่มีเสพก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับลาบยศเสรรสริญสุขเราก็ต้องดิ่นรนต้องคอยแสวงหามาบำรุงบำเลจิตใจของเราเหมือนกับการหายาสสพติดมาบำรุงบำเลจิตใจและถ้าเราไม่สามารถหามาได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ, ถ้าถ้าทุกข์มากมาก ก็จะทำให้เราไม่อยากจะอยู่ต่อไปทำให้เราถึงกับฆ่าตัวตายได้เพราะมีคนทำอย่างนี้มาแล้วเวลาที่สิ้นเนื้อประดาตัวหมดราบยศเฉลเิงสุดจิตใจก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรเงินทองก็ไม่มีใช้คู่รักคู่ครองก็จากไป เหลือแต่ตัวเปล่าๆอย่างนี้ใจไอก็ไม่มีจิตกระใจที่จะอยู่ต่อไปก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีเป็นจำนวนมากเพราะหลงยึดติดอยู่กับลาภยศเสริเสริญสุขนั่นเองนัวแต่หมดเวลาไปกับการแสวงหาราบยศเฉลเสริญสุขไม่เคยเข้าวัดเพื่อมา จะมามาบริจาคมาเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นบ้างไม่ได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมบ้างเพื่อให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบเพื่อให้เกิดศรัทธาที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ แก่ชีวิตจิตใจของตนชีวิตก็จะมีแต่คุกคลีคุกเข้าอยู่กับความทุกข์ความวุ่นวายใจไปในแต่ละภพแต่ละชาติไม่มีที่สิ้นสุดตายจากภพนี้ไปแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะทำแบบเดิมอีก ก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขหาลาภยศสรรเสริญด้วยวิธีต่างๆทั้งวิธีที่ไม่เป็นบาปและวิธีที่เป็นบาปถ้าหามาด้วยวิธีที่ไม่เป็นบาปไม่ได้ก็จะหามาด้วยวิธีที่เป็นบาปนังที่เราเห็นคนเขาทำกันอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมุ่นเทศโกโหกหลอกลวงเสพสารยาหมาเขาทำอย่างไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวต่อผลที่จะตามมาเลยเพราะเขาไม่รู้ว่ามีผลร้ายตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันเขาก็คิดว่าทำแล้วไม่มีใครรู้ หรือทำแล้วสามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะคอยติดตามจับตัวมาลงโทษและเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาต้องไปใช้บาปใช้กรรมในนรกในอบายต่อไปเขาจึงกล้าทำกรรมทำบาปอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อตายไปเขาก็ต้องไปใช้กรรมในอบาย อย่างจนกว่าจะหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาทำบาปทำกรรมใหม่จนกว่าเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาว่าบาปมีจริงบุญมีจริงและโกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนวหายตายเกิดมีจริง พอมีศรัทธาแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสองสอนให้ทำความดีทำบุญเขาก็จะเสียสละเขาก็จะบริจาคประโยชน์สุขของตนบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เขาก็จะได้เริ่มสัมผัสกับความร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจได้สัมผัสกับความเบาบางของทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจสัมผัสกับความอิ่มอิ่มเอิบใจที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากมีแต่ความโลภพอเขาได้สัมผัสกับ ความสุขที่เกิดจากการเสียสละแล้วก็จะทำให้เขาไม่คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็อยากจะรักษาสิ่ให้สะอาดบริสุทธิ์พอได้รักษาสีลแล้วจิตใจก็ยิ่งมีความมั่นคงมีความสบายมากขึ้นความหวาดกลัวต่างๆก็จะเาบาบางลงไปเพราะ ไม่ได้ไปสร้างความผิดไม่ได้ไปทำความผิดนั่นเองเมื่อไม่ได้ทำความผิดโทษก็จะไม่มีตามมาความหวาดกลัวที่จะต้องไปใช้โทษใช้กรรมก็จะไม่มีเมื่อเมื่อเขาเห็นแล้วว่าการความสุขของใจนี้เกิดจากการทำความดีเกิดจากการละบาปเพื่อให้มีความสงบ เมื่อมีความสงบแล้วเขาก็จะเริ่มเห็นโทษของความโลภของความกวดของความหลงพอเวลามีความโลภใจจะร้อนขึ้นมาเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดเวลาที่ภูเขาไฟไม่ระเบิดนั้นก็ดูดูว่าเป็นปกติดีไม่มีอะไรใจเวลาที่มีความสุขมีความสงบจากการ ทำบุญจากการรักษาศีลก็เป็นอย่างนั้นแต่พอเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาใจก็จะรุ่มร้อนขึ้นมา ท, าทันทีก็จะเห็นโทษของความโลภของความโกรธของความหลงก็อยากที่จะกําจัดความโลภของความโกรธของความหลงนี้ให้หมดไปก็จะสนใจต่อการชําระ วิธีที่ชาระก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองได้แก่การนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนาปัญญาคือการมองโลกให้เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ โลกนี้เป็นโลกที่ปราศจากตัวตนไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างมาจากโลกนี้คือมาจากดินน้ำลงไฟแม้แต่ร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลงไฟสักวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผู้ที่มาครอบครองร่างกายหรือสมบัติอื่นๆก็เป็นผู้ครอบครองเพียงชั่วคราวคือใจเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องแตกสลายไปใจก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปใจก็จะไปกับบุญหรือกับบาปไปกับความโลภความโกรธความหลงหรือไปกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ถ้าไปกับบุญไปกับความบริสุทธิ์ของใจก็จะไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าตายเกิดไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าใจยังมีบาปติดตัวไปอยู่ก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้างจนกว่าจะหมดกรรมแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปรับผลบุญที่เคยทำไว้ในสวรรค์เมื่อหมดบุญในสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นที่สร้างบุญสร้างบาปเป็นที่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อื่นๆนั้นไม่สามารถทำได้ถ้าไปตกนรกก็ไม่สามารถทำบุญได้ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่สามารถทำบุญได้ทาได้แต่บาปถ้าไปอยู่สวรรค์ก็ไม่สามารถทำบุญได้เพราะตอนนั้นมีความสุขอยู่เฉยๆมีเสวยอาหารทิพย์สวรรเสวยรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ เหมือนกับตอนเวลาที่นอนหลับแล้วฝันดีสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนั้นขณะที่จิตนอนหลับฝันดีตอนนั้นก็ไม่ได้ไปทําบุญไม่ได้ไปทําบาปได้แต่เสวยผลบุญคือความสุขใจเวลาตกนรกก็เหมือนกับตอนที่นอนหลับฝันร้ายตอนนั้นก็ไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญ มีแต่รับผลของบาป <c oughs> ก็คือความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็หายไปแต่ยังไม่หายไปหมดเวลานอนหลับ <c oughs> หรือเวลาตายไปก็จะไปรับผลบุญผลกรรมต่อไป <c oughs> ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในบาปไปรับผลบาปผลกรรม เราก็ต้องละบาปอยากทำบาปถ้าเราอยากจะรับผลบุญอยากไปเกิดในสวรรค์เราก็ต้องทำบุญให้มากๆถ้าเราอยากจะไปถึงพระนิพพานเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบจะด้วยวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะสวดมนต์ไปพังพางก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรให้อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะเย็นจะสบายเมื่อสวดจนรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้เวลาลมเข้าก็รู้ว่า ลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่าลมออกแต่ไม่ต้องไปบังคับลมลมจะละเอียดหรือลมจะยาวลมจะยาวหรือลมจะสั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามตามธรรมชาติเพียงแต่อาศัยลมไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปคิดเรื่องต่างๆถ้ายึดเหนี่ยวอยู่กับลมหายใจได้ จิตก็จะสามารถรวมลงเข้าสู่สมาธิได้อย่างเต็มที่ในลำดับต่อไปขณะที่จิตรวมลงนั้นจะมีความรู้สึกมีความสุขมากมีความเบา อ, อกเบาใจร่างกายนี้เหมือนกับหายไปเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายตอนนั้นใจอยู่ตามลำพังของตนไม่หิวไม่อยาก ไม่วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นถ้าใจอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นไปเท่าที่จะอยู่ได้อย่าไปดึงใจให้ออกมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อย่าไปกังวลว่าจะต้องไปทำงานทำการหรืออะไรต่างๆเพราะถ้าเราดึงใจออกมาจากความสงบแล้วในโอกาสหน้าจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบยาก ดังนั้นเวลาใจอยู่ในความสงบก็ปล่อยให้สงบไปอย่างเต็มที่จนอิ่มจนพอแล้วใจก็จะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วเราก็ไม่ควรปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนเราควรจะเอาความคิดมาสอนใจให้คิดไปในทางธรรมะคิดในทางอนิจักรคือสอนละว่า ร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาพิจารณาดูนึกดูในสภาพต่างๆดูเวลาที่เราเห็นคนแก่เราก็ต้องนึกถึงสภาพของร่างกายของเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องนึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นวันก่อนมีคนหนึงเข้ามาทําบุญเขาโกนศรีรษะเพราะว่าเขาเป็นโรคมะเร็งไปฉายแสงหรือไปใช้คเโมีบำบัดผมเลยล่วงเราก็ต้องคิดถึงสภาพของตัวเราว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นกัน ไม่มีใครอยู่เหนือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปได้ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะค่อยๆ ย, ยอมรับความจริงอันนี้จะไม่ต่อต้านเวลาใจไม่ต่อต้านแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าใจต่อต้านแล้วจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากการสอนใจ ด้วยวิปัสสนานี้ก็เพื่อสอนให้ใจสงบให้สอนให้ใจนิ่งให้ยอมรับความจริงเพราะการยอมรับความจริงแล้วจะทำให้ใจไม่ดิ้นรนไม่ต่อต้านไม่วุ่นวายจะมีความสงบนิ่งจะมีความสุขเมื่อใจมีความสุขแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปนาัา เพราะร่างกายกับจายนั้นก็เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันจายไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับการแก่การเจ็บการตายของเขาแต่อย่างใดทั้งๆที่เขาเองเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายแต่ผู้ที่เดือดร้อนกลับไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไปเดือดร้อนเสียเอง ก็คือใจเพราะขาดวิปัสนาขาดสมถะภาวนานี้เองถ้ามีสมถะความสงบแล้วจะรู้ว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดของจิตใจก็คือความสงบนี้เองที่พึ่งของจิตใจที่หลบภัยหลบความทุกข์ต่างๆของจิตใจก็คือความสงบนี้เองแต่พอใจไปเห็นความแก่เห็นความเจ็บ เห็นความตายก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราก็ต้องพยายามสอนใจให้กลับไปสู่ความสงบให้ได้เพราะถ้าใจสงบแล้วจะปลอดภัยร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่สอนใจใจจะไม่เข้าใจจะไม่ยอมรับความจริงจะฝืนจะหาวิธีหลบหลีกหลีกเลี่ยง แต่หลบยังไงหลีกยังไงก็ไม่สามารถที่จะหลบหลบหลีกได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของความและความตายก็คือการทำใจให้สงบนิ่งด้วยด้วยการเจริญวิปัสสนาจนกายเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาคือมีความรู้เท่าทันความแก่ความเจ็บความตาย อยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกจนไม่คิดไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายออต่อไปเมื่อถึงเวลาแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยไปเมื่อถึงเวลาตายก็ปล่อยให้ตายไปถ้าปล่อยได้แล้วใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือการชำระกิเลสคือความหลง ที่จะทําให้เกิดความโลภความโกรธต่างๆเกิดความอยากเกิดความกลัวต่างๆถ้าไม่มีความหลงแล้วก็จะไม่มีความกลัวไม่มีความอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดจึงขอให้เราจงพยายามลําลึกถึงคําสอนของพพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เรากําลังทำความดีละบาชชาระจิตใจของเราหรือไม่ถ้าเราไม่ทำก็รีบหันกลับมาทำเสียเถิะเพราะการกระทำอย่างอื่นนั้นไม่เป็นประโยชน์สู่แก่จิตใจมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมามอนเพ็งมาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้